รูส้สกเวลากับรับทานอาหารเนี่ยรู้สึกว่าไรรับทานอาหารไม่อิ่มมังนีืฮะออ <c oughs> อ๋ออ๋อเสร็จไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะอ่าหรือเพื่นจะเข้ามาตอนไหนก็นแล้วแต่เพืนเน่อนีแต่เราเอาของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันแหละเพราะตอนนี้ทีเราละ ทีของเราแหละตอนนี้ต <c oughs> ั้งใจฟังเทศตอนนี้พอดีอรับทานอาหารใหม่ๆเวลากลางวันรับประทานอาหารใหม่ๆเร่งซะหน่อยก็ดีตั้งใจฟังเมื่อเช้าลูกปู่ทั้งกับอัดให้เตรียมที่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องบุญบุญกิยาวัตถุสิบอย่างเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราฟังในแง่ปฏิบัติบ้างเราฟังในแง่ภาคปฏิบัติ <c oughs> ตั้งใจฟังด้วยแล้วก็ภาวนาไปในขณะเดียวกัน <c oughs> มันเป็นการระมัด ร, ระวังมันเป็นการระมัด ร, ระวังสองชั้น เราฟังเทศไปด้วยเรานั่งภาวนาไปด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยเราทำแบบนี้มันได้ผลได้ผลกว่าเรานั่งฟังบางทีก็ส่งจิตไปที่อื่นมันไม่ก็อยกอยู่ในอยู่ในธาตทีที่ตั้งใจเต็มที่เต็มร้อย <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ไปแล้วช่วงหนึ่งระยะหนึ่งครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนต์มีท่านหลวงพ่อเจริญเป็นประธานครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนต์อีกสิบวาระเสร็จแล้วก็มีการถวายทานมีการบังสุกุลบุทิศถวายกับอธิการบดีประโชนแล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเจริญ ท่านเมตตาสามสิบกวนาทีท่านเมตตาด้วยบทธรรมบุญกิริยาวัตถุสิบอย่าง <c oughs> พวกเราก็ได้ฟังคำอธิบายห <c oughs> ลวงปู่เจริญนิสณะอยยุมากเลยนะ <c oughs> ท่านอายุตั้งเก้าสิบปีเศษลวมั้ง <c oughs> ท่านเป็นพระเถระ <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญในอัตในธรรม ในคําเทศนาว่าการทั้งหลาย <c oughs> มีการทําบุญที่ไหนท่านก็ต้องให้ธรรมะที่นั่นหลวพ่อเจริญเสร็จแล้วท่านก็ไม่รับไม่รับไทยธรรมด้วยนะท่านไปเทศที่ไหนท่านก็ถวายที่นั่นถ้าหากเราไม่เข้าใจาถ้าหากเราเข้าใจเราก็เอาไปให้กับลูกศิษย์ท่านท่านก็พอได้ใช้ได้สอย เมื่อเช้าน่าจะมีส่วนหนึ่งไปมั้ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวให้พวกเราเข้าใจดีเพราะครูบาอาจารย์ท่านมาเทศท่านตั้งใจมาเทศตั้งใจจริงๆมุง่งธรรมะเข้าสู่หัวใจพวกเราจริงๆโดยเฉพาะวันนี้อัตมภาพได้รับคำอาราธนาด้วยหัวข้อถามว่า ธรรมะกับป พ, พรปีใหม่กรรมาทิตย์ไม่ออกว่าธรรมะกับพรปีใหม่คือธรรมะยังไงแต่ก็จะพูดไปตามหลักธรรมะที่มีความถนัดในใจนั่นแหละเพราะธรรมะเมื่อตะเมื่อตะล่อมหลอมามันก็เป็นอันเดียวกันคงไม่เกินไปจากหลักปฏิบัติปริยัติแล้วก็ปฏิบัติพวกเราได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นการปริยัติเสร็จแล้วก็ น้อมนำมาเพื่อปฏิบัติถ้าหากไม่มีปฏิบัติมันจะไม่มีปฏิเวกเพราะฉะนั้นพวกเรานั่งฟังธรรมะตอนนี้นั่งฟังสบายๆและก็นั่งภาวนาไปด้วยแต่ต้องต้องตั้งความระมัดระวังสองชั้นสามชั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นเวลาหลังเที่ยงรับทานอาหารเสร็จใหม่ๆเราไม่ได้ไปออกกําลังที่ไหนเรามานั่งอย่างนี้ <c oughs> บรรยากาศอาจจะไม่ค่อยจะ ปลอดโปรนะ่งนั้นถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจสองชั้นสามชั้นตั้งใจภาวนาไปด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็หูมันต้องได้ยินหูไม่ดับหูต้องได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมไปปรากฏในหัวใจของเราเราก็จะทำความรู้ทงความเข้าใจตามเสียงอัดเสียงธรรมเหล่านั้น อย่างหนึ่งหรือไม่ไม่สนใจสนใจอยู่แต่ ก, กับคำบริกรรมของเราพุทโธ<ม>พุทโธพุทโธตลอดระยะเวลาที่เทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด <c oughs> คนเราพวกเราทั้งหลายเราเกิดมา ด้วยกรรมเรามาอยู่เราก็มาอยู่ด้วยกรรมแล้วเราจะไปเราก็จะไปด้วยกรรมขึ้นชื่อว่ากรรมคือกิริยาที่เราแสดงออกทางกายเป็นกายกรรมทางวาจาเป็นวจีกรรมทางใจเป็นมโนกรรมชีวิตของเราพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะทุกการทุกเวลาพลิก แลงเปลี่ยนแปลงไปตามกิริยาอาการของกรรมนี้เองเราสังเกตดู ก, กิริยาอาการกรรมของเรามีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างกรรมในที่นี้รวมไปถึงกรรมใหม่ที่เราจะพึงแสดงออกในปัจจุบันด้วยรวมไปถึงกรรมเก่าที่เราเคยประกอบลงไปแล้วในอดีตต่ชาติด้วยเป็นเรื่องของกรรม กรรมนี้แหละทําให้พฤติกรรมของเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงทาดีบ้างทําไม่ดีบ้างทําถูกบ้างทําผิดบ้างตั้งอกตั้งใจประพฤติตามศีลบ้างตามธรรมบ้างไม่ตั้งอกตั้งใจบ้างประพฤติเห็นแก่ได้ตามอํานาจของเกลียดตัาหาอาสวะบ้างรวมสรุปลงมาที่กายกรรมเรามาสํารวจตรวจตราดูว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กายกรรมของเราเป็นยังไงบ้างวจีกรรมคือกิริยาคําพูดคําจาของเราเป็นยังไงบ้างมโนกรรมการนึกการคิดการตรกิการตรองอเพื่อที่จะแสดงกิริยาออกมาทางกายทางวาจานี่เป็นยังไงบ้างเราพอจะสรุปได้เพื่อประเมินผลออกมาว่าเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นหัวใจมีคุณงามความดีเกิดขึ้นหัวใจเพิ่มขึ้น หรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นเราตั้งอกตั้งใจเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจประกอบคุณงามความดีตั้งใจประกอบภารากิจน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามที่เราะเราเกณฑ์เอาไว้เราก็ถือว่าชีวิตการพัฒนาของชีวิตของเราก็จะดีขึ้น เพราะทุกอย่างนั้นล้วนแต่จะเป็นไปตามเหตุพฤติกรรมเราแสดงยังไงแสดงเหตุอย่างไรผลก็จะแสดงอย่างนั้นพฤติกรรมที่กายเป็นเหตุให้เราต้องได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวาจาทําให้กรรมเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางใจเป็นเหตุให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าหากเราตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามหลักของศีลของธรรม เราก็ไม่ทิ้งหลักของศีลของธรรมมีการให้ทานมีการรักษาศีลและมีการตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปตามตามหลักนั้นๆแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วล้วนไม่พ้นอํานาจของตัณหาที่อยู่ในหัวใจของเรามาแสดงมาโดดมาดิ้นให้เราวิ่งวุ่นไปตามความชอบใจตามความผอนใจผลทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปตามนั้น เมื่อเราประสบพบเห็นเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาการให้ทานเราก็ตั้งอกตั้งใจให้ทานโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธการตั้งตั้งใจให้ทานนั้นเราสามารถทำได้เต็มที่แต่ถึงเราจะตั้งใจเต็มทำเต็มที่ขนาดไหนก็ตามเราสู้พระโสดาบันก็ไม่ได้พระโสดาบันนั้นท่านเข้าถึงธรรมท่านมีอัตมีธรรมท่านตั้งใจให้ทาน ท่านมีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเต็มที่ท่านให้จนหมดเนื้อหมดตัวเราทําทานเรามีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเราก็ทําทานตามความพอหมาพอสมของเราคือทรัพย์ที่เรามีนั้นเราสามารถจัดแกงได้ด้วยตัวของเราเองส่วนหนึ่งเราทําบุญให้ทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเราลงทุนส่วนหนึ่งเราจับจ่ายใช้สอยในความเป็นอยู่อาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราได้ทรัพย์มาพอดีกับเท่านี้เราก็จัดจ่ายใช้สอยพอประมาณเท่านี้เท่านี้แล้วก็ทำบุญให้ทานเพียงพอประมาณเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านให้จนหมดเนื้อหมดตัวเลยมีคนอดอยากมาหานี่ท่านให้จนหมดเนื้อหมดตัวจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราขึ้นชื่อว่าให้ทาน ถ้าใครมีหัวใจเหมือนพระสวสดาบันที่ท่านเห็นอาจเห็นทำเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วท่านจะให้จนหมดนุ่มเนื้อหมดตัวจริงๆแม้แต่เหลือข้าวจานสุดท้ายกําลังจะเข้าปากมีคนยังไม่ได้รับทานมาให้เขารับประทานไปเฉยการที่เห็นคนอื่นเอาจากเราไปรับประทานนั้นมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าที่มาเข้าป่ากของตัวเองผู้ที่ได้เปลี่ยนพระสวัสดาบาลสมัยพระพุทธเจ้าทั้นทรงประชนันอยู่นั้น พระองค์ทร์ให้พระสงฆ์สวดสวดเป็นเสกเสกเสกขยะเสกขยะบุคคลเสขะบุคคลสวดเป็นพ ร, พระเสขะบุคคลใครก็ตามที่พระสงฆ์สวดเป็นเสขะบุคคลแล้วพระสงฆ์ที่ไปบิณฑบาตโดยไม่ได้รับนิมนต์ปรับอาบัติถูกปรับอาบัติที่สง์ที่จะไปรับทานในบ้านของเสขะบุคคลนั้นได้ จะต้องได้รับนิมนต์เมื่อได้รับนิมนต์ไปแล้วท่านบอกว่าเขามีความเลื่อมใสศรัทธาให้มากเท่าไหร่ก็ตามกี่เท่ากี่ส่วนเท่าไหร่ก็ตามเรารับมาตามที่เขาให้นั้นได้เพราะเขามีศรัทธามากเขามีเท่าไหรเขาเขามากแต่รับมาแล้วต้องมาแบ่งปันหมู่นี่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงการให้ทานผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาทําไมผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้ จึงสามารถทำได้มากมายถึงขนาดนี้เพราะมองเห็นผลเห็นอนิสง์ทันตาเนื่องจากว่าจิตของพระโสดาบันนั้นเห็นความเป็ียนไปในวัฏสงสารเห็นลักษณะความเป็นไปในวัฏสงสารคือความเป็นกองทุกกองโทษที่หมุนไปในวัฏสงสารอย่าลืมว่าชีวิตของเราจิตใจของเราวนเวียนไปในวัฏสงสารยืดยาวไปเท่าไหร่ก็คือกองทุกหมุนไปในวัฏสงสาร พระโสดาบันนั้นท่านเห็นความไม่เที่ยงไม่คงทนของของสังขารคือท่านเห็นไตรลักษณ์ท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือพระโสดาบันเหมือนอย่างพระอัญญาโกนธัญญะท่านได้เป็นพระโสดาบันท่านได้ฟังข้ออัดข้อถามว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้วิสัยของผู้มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแค่นี้คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังคาว่าเห็นอนิจจังรวมไปถึงว่าเห็นความไม่เที่ยงของอัตภาพร่างกายของเราด้วยเห็นความไม่เที่ยงไม่คงทนกับวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราด้วยรวมไปถึงจิตใจของเราด้วยไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรยั่งยืนล้วนแต่ต้องเปลี่ยนไปล้วนแต่ต้องเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามใจชอบไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามใจหวังของเราเช่นอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเป็นนู่นเป็ี่ยนนี้มันก็ต้องเป็นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องเป็นแม้ที่สุดเราไม่อยากตายแต่มันก็ต้องตายเหมือนอย่างบุคคลที่กำยังกลังเปลี่ยนไปด้วยความเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยเกียร ถึงคราวกรรมมาตัดรอนก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนอย่างอธิการของเราอย่างนี้อันนี้ือคือกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันมาตัดรอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หลบไม่ได้ที่หลีกไม่ได้เราไม่มีความประสงค์อย่างนั้นแต่เหตุปัจจัยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอำนาจความอยากในหัวใจของเราคืออำนาจของตัณหาตัณหาไม่เคยอยากแก่อยากเจ็บอยากตาย อยากมีความสนุกสนานอยากมีความเพลิดเพลิน อ, อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่ตัณหาราคะทั้งหลายมันมองเมาในหัวใจของเราจึงทำให้เราเนี่ยมัวเมาประมาทเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตก็เหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่จะ ย, ยั่งยืนไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มัวมาในความไม่มีโรคเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ส, สนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้จักระมัดระวังไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยรั์ไม่รู้จักประมาณในการใช้เวลำเวลาไม่รู้จักประมาณในการใช้เรี่ยวแรงของตัวตัวเองออมีความประมาทมีความมัวเมามีความเพลินเพลิน <ensemble> <Shel vezes. S 2> ไปตามความสนุกสนานเหล่านั้น โดยไม่ได้นึกคิดว่าชีวิตของเราจะจะต้องเปลี่ยนไปจากความสุขที่เรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเพียงพอในปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ภาวะเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปตามเหตุเปลี่ยนไปตามปัจจัยล้วนตั้งอยู่บนฐานที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงโดยเหตุที่พิจารณาอย่างนี้แล้วจะทําให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจตั้งใจรักษาศีลตั้งใจให้ทาน เป็นความไม่ประมาทเพราะการตั้งใจรักให้ทานนั้นทําให้เราเป็นไปในวัฏสงสารไม่ฝืดไม่เครืองตราบใดที่เรายังวนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นทําให้ความเป็นอยู่ของเราเรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่อดไม่หยาดเนื่องจากว่าเราได้ทําบุญเราได้ให้ทานเอาไว้สิ่งเหล่านี้เราทําไปแล้วมีผลมีอนิสงส์ไม่ใช่ว่าผลอนิสงส์เท่ากับว่าให้หนึ่งได้หนึ่ ง, ใ ห, หงให้สองได้สอง ผลอันิสงส์ที่เราให้ทานทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธามันมีผลร้อยเท่าพันทวีให้เหมาะให้น้อยจะได้ผลมากาให้น้อยได้ผลมากให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจให้น้อยจะได้ผลมากผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราดูไปแล้วเหมือนกับไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่มันมีผลเหมือนอย่างที่หลวงปู่จันเทศเมื่อเช้าเนี่ยมีผลมีอันิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก การมีความเลื่อมใสศรัทธาในการทำบุญให้ทานการให้ทานก็เป็นการทำบุญเมื่อเจ้าหลวงปู่ท่านพูดถึงความการทำบุญการทำบุญก็คือการทำความดีความดีคือบุญบุญคือความดีความดีเป็นภาษาไทยบุญบุญญะบุญญังเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีแปลว่าบุญภาษาไทยแปลว่าความดีความดีในที่นี้เราควรจะนับเนื่องในอะไรความดีในที่นี้เราควรจะนับเนื่องใส่ กายกรรมคือกรรมดีด้วยกายวจีกรรมกรรมดีด้วยวาจามโนกรรมกรรมดีด้วยด้วยใจกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมสากายกรรมสามเว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธผิดในกรรมนี่เป็นกายกรรมเราเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นพระพฤติผิดในกรรม คือกายกรรมไหวจีกรรมเว้นพูด<ม>เท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพอเจอรเราพูดเพื่อให้เห็นข้อปฏิบัติให้เห็นแนวปฏิบัติมโนกรรมคือเว้นลอบอยากได้ของเขาเว้นพยาบาทปองร้ายเขาแล ะ, ะที่สํคาคัญที่สุดพยายามศึกษาค้นคว้าในพระพุษษทธศาสนาทําความรู้ความเห็นของตัวเองให้มีความเห็นให้ตรงคําว่าเห็นให้ตรงก็คือ เ, เห็นให้ถูกตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเป็นสัมมาทิฏฐิ นี่คือการศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเป็นเหตุนำมาเสื่งคุณงามความดีที่ท่านเรียกว่าบุญเช่นอย่างการให้ทานลูกผู้ท่านก็พูดถึงให้วัตถุทานให้ทาเป็นทานให้อภัยเป็นทานให้ทำเป็นทานก็คือพิมพ์มังสือธรรมะให้เป็นทานก็ได้เราพูดบอกอัดรมที่เป็นอัดเป็นธรรม เพื่อให้คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันนี้ก็เป็นธรรมทานได้อภัยทานสำคัญที่สุดเพราะอภัยทานนั้นถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจให้อภัยจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เราจะถือโทษโกรธเคืองเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเช่นอย่างคนลบหลู่ดูดถูกเห็นหน้าเห็นตากันปั๊บเออให้อภัยให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองพอเรารู้สึกว่า เขามีความลอบหลัว ด, ดุถูกเราปับเราให้อภัยให้อภัยในใจของเรารวมทั้งแสดงกิริย า, าไม่ถือโทษโกรธเคืองกับเขาด้วยแล้วก็เปล่งบาจาให้อภัยยกโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยทั้งๆที่ในใจของเราเนี่ยถ้าหากเราไม่มีคําว่าให้อภัยกันเนี่ยมันจะเกิดความโกรธความเครียดแค้นชิงชังดีไม่ดีบางอย่างบางเรื่องเนี่ยก่อการทะเลวิวาทก่อกรรมทําเข็ม ถึงกับอาฆาตพยาบาท<ม>ถึงกับฆ่ากับแกงกันก็มีอันนี้คือคือเรื่องเรื่องที่ทําให้เกิดการขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันการให้อภัยการให้อภัยเราดําริอยู่ในใจและก็ตั้งใจให้อภัยโดยเฉพาะ<ม>หน้านั่นแหละให้ความโกรธเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับหางจิงจ้งเล็ดจิ้งเล็ดขาดดิ้นแด้เดๆเ ด, เ ด, เ ด, เ ด, เดอยู่ในขณะนั้นตอนนั้น กิเลสโทสะความโกรธที่มันจะพึงโกรธมันโกรธขึ้นไม่ได้นี่สามารถระงับความโกรธได้อย่างทันท่วงทีอันนี้คือการให้อภัยให้อภัยเป็นทานการตั้งใจทําสิ่งหล่านี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละจะทําให้เรามีผลมีนิสงส์สืบเนื่อง<ม>เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นอยู่เรื่อยๆวันคืนล่วงไปเราก็อยู่ด้วยคุณงามความดีเหล่านี้ขยับขึ้นมาอีกตั้งใจรักษาศีลพอเราขยับขึ้นมารักษาศีลมีข้อปฏิบัติ เราให้ทานเราฝากใครไปทําก็ได้ฝากไปทําที่นู่นที่นี่ที่ไหนมากน้อยเท่าไหร่เราฝากคนอื่นไปทําได้แต่ตั้งใจรักษาศีล น, นั้นเราจะต้องมีข้อปฏิบัติต้องเว้นฆ่าสัตว์เว้นรักทรัพย์เว้นพระพุทผิในิ迦มีข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมตไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังมีเมตตายังมีกรุณาต่อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ยังเมตตาสัตว์ เมตตาเราเมตตาเขาเมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยนี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์รู้จักเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเพราะทั้งฆ่าสัตว์ทั้งลักทรัพย์ทั้งพระพฤติผิดในกามเนี่ยเราทําลงไปแล้วมันกลายเป็นเวรเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นบาปเป็นกรรมติดเนื้อติดตัวเราด้วยแล้วทําให้เราผิดศีลด้วยนี่อันนี้เป็นส่วนที่เราสํารวจตรวจตรามาที่กายกรรมของเราถ้าเราอยู่ในองค์ในศีลในธรรม เราก็จะเป็นผู้มีกายะสุดจริตมีกายกรรมที่ดีที่งามวจีคือคําพูดของเราก็ไม่พูดเท็จพูดหยาบไม่พูดส่อเสียดพูดหยาบบางทีก็พูดหยาบจนหน้าเกลียดพูดส่อเสียดก็เป็นเหตุให้เราเครียดแค้นชิงชังการพูดส่อเสียดเป็นเหตุให้ทําให้คนอื่นมีความเข้าใจผิดเป็นการพูดใส่ร้ายป้ายสีถ้าหากเราไม่ระมัดระวัง ไม่สังเกตสัง к าได้หลักได้ฐานพอเราจะมีการเชื่อง่ายๆเช่นอย่างเขาใส่ร้ายป้ายสีเราคือส่อเสียดใส่ร้ายอย่างเงี้ยเป็นเหตุให้เราเครียดแค้นจริงจังเราไม่ผิดว่าเราผิดเราไม่ได้ทําว่าเราทํากล่าวหาใส่ร้ายทาลายชื่อเสียงให้แก่กันและกันอันนี้คือการพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้แตกกันเหมือนเทวดาเกเรต น, นึ่งเทวดาเกเรตอนนี้ เห็นพระเถระสององค์เนี่ยติดกันมากไปไหนเหมือนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันติดกันรักกันสนิสนมกันมากเทวดาเกเรตัวนี้ต้องการให้พระเถระสององค์นี้แตกกันนะมีวันหนึ่งท่านเดินข้ามป่าไปทั้งสององค์เลยพอไปได้สักระยะหนึ่งองค์หนึ่ง่เออคอยอยู่ตรงนี้ก่อนเราขอเวลานอกก่อนคงจะไปถ่ายหนักถ่ายเบาเพื่อนก็คอยอยู่ตรงนี้แหละท่านเข้าไปในป่า สักหน่อยหนึ่งท่านก็เสร็จเสร็จภารากิจเสร็จภารากิจแล้วท่านก็ออกมาออกมาจากป่าเทวดาเกเร ต, ตัวนี้ได้ช่องเพราะได้ช่องก็เลยแปลงเป็นผู้หญิงเดินกระพือผ้าตามหลังมาอพระเถร้ท่านก็เดินเดินมาข้างหน้าท่านไม่รู้ไม่เห็นดอกเทวดาเกเร ต, ตัวนั้นแปลงเป็นผู้หญิงเดินกระพือผ้าตามหลังมาทําให้เพื่อนมองไปเห็นแบโอ้เพื่อนเรานี่ไปเสียศีลแล้วอ ติดกันตั้งแต่นั้นไม่ยอมเข้ากันอีกเลยจากนั้นมาแตะกันไปคนละทิศคนละทางไปเลยนี่คืออะไรเขาเรียกว่าส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนผิดกันอันนี้นี่เป็นเหตุให้คนเครียดแค้นจริงจังและข่าแกงเน่ยเจ็บใจมากอันนี้เนี่ยเรื่องวาจาคําพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเหมือนกันสามีภรรยาที่รักใคร่เป็นคู่บา ร, รมีซึ่งกันและกัน พยายามสังเกตสังการรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีไม่ใช่เขามาซอเสียดยุยงส่งเสริมและเกิดระหองแทงเขาไปพูดกับสามีอย่างหนึ่งว่ามาพูดกับภรรยาอย่างหนึ่งพอต่างคนต่างเห็นหน้ากันแล้วชัดแปลกแปลกแล้วสังเกตสังกาดูกิริยาชัดแปลกแปลกแล้วสักหน่อยหนึ่งกันแต่กันแล้วนี่คือเราไม่หนักแน่นพ อ, อถ้าเราหนักแน่นพอเราพยายามสังเกตสังกาแล้วเราจะรู้ว่ามีข้อเท็จจริงยังไง เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมทั้งนั้นที่คนพิดธรรให้เราได้รับความเกลียดเลอนเหล่านั้นการตั้งใจรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมทำให้เรามีความสุขและที่สําคัญที่สุดก็คือตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะศีล น, นั้นเป็นการรักษาเพื่อมไม่ให้กิเลสมันมาแสดงกิริยาที่กายของเราที่วายจาของเราเกิเลสทลักเข้ามาแสดงความอยากที่กายอยากฆ่าสัตว์อยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกาม มาแสดงมาที่วายจ า, อ, าอยากพูดเท็จอยากพูดโจโพูดยาพูดโซเสียลพูดเพรเจอแต่ถ้าเราตั้งใจรักษาสินปัพเรางดเราเว้นได้หมดาทางมโนกรรมไม่โลบอยากได้ของเขาไม่พยายามบาปองร้ายเข า, าเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรม <c oughs> ส่วนทางกายทางวายจาเกิเลดทลักออกมาทับทั่วไม่ได้ เมื่อ Me ทับท่วมไม่ได้กิเลสก็แสดงกิริยาที่ใจแสดงกิริยาที่ใจนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องรักเรื่องฉันเรื่องอิจฉาทิสยาพยาบาทนี่คือคือเรื่องกิเลสในหัวใจของเรากิเลสในหัวใจของเราก็คือตัณหาในหัวใจของเราตัณหาในหัวใจของเราก็คือความอยากในหัวใจของเราเราดูไปที่กิริยาความอยากในหัวใจของเราเราจะเห็นกิริยาของใจของเรานี่แสดงกิริยาความอยากออกมา อยากอยากทำอะไรตามใจชอบอยากรักอยากขโมยคนมีนิสัยชอบขโมยก็อยากรักอยากขโมยคนมีนิสัยเจ้าชู้ก็อยากผิดลูกผิดผัวผิ ด, ผ ด, ผดมเมียเขาคนชอบพูดพร้อย<ม>ก็ชอบแสดงกิริยาอะไรตามคําชอบคําพูดชอบดืมเล่าก็หาช่องหาโอกาสหาเวลาอยู่เรื่อยๆอยู่เหนืองเนืองเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลามันยุ่ยเยมาที่ใจทําให้ใจของเราได้ได้กําเริบถึงแม้ว่าจะรักษาศีลไม่ให้ลงละเมิดมาที่กายที่วายใแล้วก็ตามแต่มันหากตันหาเหล่านี้มันดีดดิ้นในหัวใจของเราหัวใจของเราก็พลอยคิดยุ่งวุ่นกับเรื่องเหล่านี้ในเมื่อมันก่อกวนข้างในหนักหนักเข้ามันก็ทะลักออกมาข้างนอกสักหน่อยหนึ่งมันก็ทะลักออกมาที่กายอ่ามันดึงกายไปทำทำผิดศีลแล้วมันดึงวาจาไปทําผิดศีลแล้วมันเอากายไปดื่มสุราแล้ว ทำไมจึงมีโทษดื่มสุราทำไมจึงมีโทษ<ม>เพราะสุรานั้นมเมื่อดื่มเข้าไปแล้วทําให้เราหมดสติทําให้เราขาดสติช่วงระยะปีใหม่เ อ, อ่ยชงกรานเ อ, อ่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุจากการหมดสติจากการดื่มเหล้ามีเป็นจํานวนมากมีเป็นปริมาณมากเนื่องจากว่าคนราวนั้นพอจะเป็นผู้<ม>เป็นคนก็เพราะว่าเพราะว่าเรามีสติมีสติมีความรู้สึก มติมีสติมีความรู้สึกระมัดระวังอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ทำให้เราไม่ประมาทจะทำจะพูดจะคิดจะอะไรแต่อะไรก็ได้ระมัดระวังแต่ถ้าหากขาดสติแล้วเนี่ยินข้อหนึ่งก็ผิดง่ายสินข้อสองข้อสามข้อสี่ผิดง่ายทั้งนั้นถ้ า, าเราผิดสินข้อห้าถ้าเราเมาหรือเราไม่กินมากได้ไหมกินพอตึงๆนิดๆหน่นอยๆเ น, นี่ยเคยมีคนถามเหมือนกัน เล่านี่ยมันผิดเพราะวัตถุหรือว่าผิดเพราะปริมาณกินเล่าเนี่ยคาว่าเล่าเนี่ยมันผิดศีลเพราะผิดผิดเพราะวัตถุหรือว่าผิดเพราะปริมาณคําว่าปริมาณหมายความว่าเขาจะไม่กินให้เหมา่กินพอตึงๆซะหน่อยได้ ไ, ดไหมเรามันหิว <Bloom> มันติดเล่า <S <S เราก็ต่อว่าไในเมื่อมันกินน้อยได้มันก็ิกินมากได้มันกินมากได้มันก็ไปอยากกินน้อยๆนี่แหละ ไม่ต้องไปขอต่อรองกับพระพุทธเจ้าเถอะเถอะอย่าไปต่อไปรองกับพระพุทธเจ้าเถอะในเมื่อพระองค์ตรัสแล้วก็อย่าไปต่อรองกับพระองค์ขอให้เราตั้งอกตั้งใจถือตามนั้นพระพุทธตามนั้นเราจะได้รับอานิสงฆ์เองทําให้เป็นผู้มีสติมีสัมผััญญาแต่ถ้าหากมีอาจินกรรมที่ติดเล่าด้วยแล้วเนี่ยทําให้คนคนนั้นเคลิ้มไป ก, กับความเมาเพราะฉะนั้นพพชาติของเขาเขาจะไปอบัตได้อะไรในเมื่อเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ อาชินกรรมของเขาเป็นอย่างนี้พบชาติใหม่เขาเขาจะได้เป็นคนที่ไม่สมประกอบวิกวลวิการเสียจริตผิดมนุษย์เพราะนิสัยชอบเมาทำให้เงอะงะขาดสติขาดปัญญาเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มบาดเต็มเต็งทางด้านภะษาสมองทาง่านทางด้านความรู้อะไรต่ออะไรเหล่านี้เนื่องจากเราชอบมอมเมาทาให้ตัวเองต้องขาดสตินี่คือผล คนที่จะสืบเนื่องทางวิบากกรรมพูดจริงเหล่านี้เราพูดถึงสินห้าโทษของศินห้าในเมื่อเรารักษาสินห้าได้แล้วกิเลสทะลักออกมาที่กายไม่ได้ที่วายจาไม่ได้มันนึกคิดในใจก่อนจะมาจะมาทะลักออกมาที่กายที่วาจามันก็นึกคิดที่ใจทีนี้ทำไงเราจะหยุดที่ใจไม่ให้มันนึกมันคิดได้ท่านจึงให้ภาวนาภาวนานั้นเราต้องฝึกเราต้องฝึกต้องหัด เราโมติไปภาวนาเราจะมีไม่มีเวลาทํางานกราภาวนาด้วยเราทํางานไปด้วยก็ได้เช่นอย่างท่านสอนให้เราเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญมหายสติปัฏฐานน่ะมันเป็นการเจริญสติเพราะว่าการทําสมถะคือภาวนาให้ใจสงบก็คือการทําให้ใจมีสติกํากับจิตการเจริญวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติการเจริญสมถะก็ต้องอาศัยสติ เราวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติเพราะฉะนันพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสมหาสติปัฒฐานเพื่อให้เราเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติโดยที่เราอ้างว่าเราทำงานทำการโดยเฉพาะเราว่าเราเนี่ยเราถือว่าพระภู ก, กิจิจาม่อย่างภูมกคณียามีภาระมากมีกิจมากมไม่ค่อยจะมีเวลาประกอบการตั้งใจรักษาศีลประพฤติรมปฏิบัติธรรม พระที่เจ้าท่านจึงสอนหลักมหาสติปัฏฐานเราทํางานและเจริญสติไปในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานเจริญสติไปในขณะเดียวกันอันนี้มีผลมีอนิสงส์เฉเพาะหน้าและมีผลมีอนิสงส์เพิ่มพูนทวีคูณไปข้างหน้าเป็นการพัฒนาจิตของเราในขณะที่เราทําเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสติคํากับอยู่เช่นอย่างเดินก็มีสติคํากับ มีสติรู้สึกตัวอยู่กับเดินยืนก็อยู่กับยืนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถจะทำงานจะทำการจะยอกจะหยิบจะยกอกจะขีดจะเขียนจะหยิบจะยกจะจัดจะส่งจะลุกจะเดินจะอะไรต่ออะไรท่านให้มีสติกำกับทุกอิริยาบถอิริยาบถ ท, ที่เราทำนี่แหละ เมื่อมีสติกำกับทุกอิริยาบถสติตัวนี้มันจะเป็นตัวมาเจริญเจริญในหัวใจของเรามันเจอในหัวใจของเรามันมาปิดกัน้นปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดที่ตันหามันจะป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาให้เรานึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสกลายเป็นว่าเราเอาสติไม่ใช่แทนเช่นอย่างเราต้องการจะเขียนหนังสือเราเขียนหนังสือเราก็ตั้งใจเขียนทำความรู้สึกอยู่กับเขียนหนังสือ จับปากกาก็ทำความรู้สึกอยู่กับจับปากกาเขียนหนังสือก็รู้สึก ก, กับการตั้งใจเขียนหนังสือไม่ใช่เขียนด้วยความคล่องตัวไปและใจนึกคิดไปอย่างอื่นหรือล้ า, างถ้วยล้างจานเนี่ยซักเสือ้อซักผ้าล้างถ้วยล้างจานเราก็ารู้อยู่กับความรู้สึกว่าล้างถ้วยล้างจานซักเสือ้อซักผ้าก็ทำความรู้สึกอยู่กับซักเสือ้อซักผ้า ไม่ใช่มือซักผ้าใจคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปที่อื่นนี่เขาเรียกว่าไม่ได้เจริญสติ อ, า, อาจจะนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องพยาบาทเรื่องอะไรก็ได้แต่มือก็ซักผ้าไปกี่ผ้าไปนี่คือมันยังทงาํางานในหัวใจแทนเราได้ไม่ได้เจริญสติเจริญสติตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนว่า ถือว่าเป็นการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้ท่านบอกว่าการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมคือทํำยังไงคือทําแบบเจริญสตินี้เองเจริญได้ไหมเจริญได้ทําไดนะ้เพราะสติปัฏฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติสรุปรวมมาทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานขอให้เราตั้งอกตั้งใจเจริญไปแต่วิธีเจริญที่ ท่านทั้งหลายจะสมัครเจริญเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเวลาท่านเข้าที่นั่งภาวนาขอให้ท่านทําความสงบซะก่อนทําความสงบก็คือเจริญสมมถะอยู่กับบทเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธการที่เราเจริญให้อยู่กับอารมณ์เดียวเหล่านี้เพื่อระ ง, งับกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจของเรา อย่าลืมว่าเรามีกายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมหรือถ้าเราจะพูดวัฏถวานก็คือกายวัวานประตูคือกายไวจีทวานประตูคือวาจามโนวถวานประตูคือใจประตูอะไรประตูสำหรับใจมันออกออกมาแสดงกิริยาสนับใจมันออกมาหาอยู่หากินกิเล่มันออกมาหาอยู่หากินต่างตาท้งหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายทางใจกิเล่มันออกมามันออกมาทางกายกรรม มาแสดงพฤติกรรมที่กายมันออกมาทางวาจาคาพูดมาแสดงพฤติกรรมที่วาจาคาพูดเมื่อเราตั้งใจรักษาสินสิ่งเหล่านี้งดไปมันแสดงดิดนดิ้นที่ใจเพราะฉะนั้นเรารู้รู้ฐานที่มันเกิดรู้ฐานที่มันเกิดอยู่อย่างนี้แล้วเราเจริญสติกำกับเพื่อให้สติตัวนี้มันเป็นตัวเป็นตัวมาบางังเกลียตัณหาในหัวใจของเรา เพราะสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะมาทำความรู้สึกให้เต็มเปี่ยมเต็มแปร่อยู่ในนั้นแล้วอัดแน่นอยู่ในนั้นแล้วตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะสติก็คือความตื่นรู้ของจิตของเราเวลาไหนก็ตามที่จิตของเราตื่นที่สุดรู้ที่สุดนั่นแหละเวลานั้นแหละคือเวลาที่สติกากับดูแลจิตของเราอยู่ผู้รู้ของเรามีสติกากับดูแลอยู่ เวลาเราอยู่กับที่เราเข้าที่ภาวนาเราทําให้ใจได้รับความสงบด้วยอารมณ์สมถะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลาเราไม่อยู่ในท่าทีที่เรานั่งภาวนาให้จิตได้รับความสงบเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มาใช้หลักของการเจริญสติการเจริญสติกับการเจริญวิปัสนามันก็เป็นอันเดียวกันการเจริญสติที่ท่านเรียกว่าสติวิปัสนาสติวิปัสนามันก็เป็นอันเดียวกัน รวมแล้วคือสมถะและวิป <Yeah. S 1> ัสนาทั the the ้งสมถะทั้งวิปัสนาล้วนแต่เป็นวิธีที่ทําให้เราเอามาพัฒนาจิตการพัฒนาจิตนี่แหละมันเป็นการสร้างคุณงามความดีการตั้งใจให้ทานการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจเจริญสมถะคือภาวนาการตั้งใจเจริญวิปัสนาคือเจริญสตินี่แหละมันเป็นการสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีนี่แหละเป็นการมันเป็นการสร้างเหตุ การที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นการสร้างเหตุการสร้างเหตุเหตุที่เราสร้างคุณงามความดีเหล่านี้แหละมันจะออกมาเป็นเป็นพรในตัวของเราเ น, นี่ยการตั้งใจทําความดีดีกว่าเราไปขอพอรเราขอพร น, นั้นมันเป็นการขอเพื่ อ, อเพื่อให้อวยชัยให้พรแก่กันและกัน แต่ว่ามันจะเป็นไปตามปากที่ให้หรือจะไม่เป็นไปตามปากที่ให้ที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้พร น, นั้นมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราจะทําหรือไม่ทําำถ้าหาท่านให้พรนู้นจนถึงมัดถึงผลถึงสวรรค์ถึงนิพพานแต่เราไม่เคยสนใจพุโทโธพุโทโธสักคำเลยมันจะมีผลที่ไหนในเมื่อเราไม่ได้สร้างเหตุอต้องตั้งใจอวยชใยให้พรให้เรารวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอืม แต่เราอับจนปัญญาอย่างนี้เราไม่เคยมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะให้ทานเลยทานเราก็ไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจให้ตั้งใจรักษาศีลก็ไม่เคยตั้งใจรักษาพรที่ท่านท่านให้เหล่านั้นมันจะไม่คลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นโดยประสิษ์จากเหตุเพราะว่าผลใดๆที่จะเกิดขึ้นจะตกขึ้นมาจากเหตุที่เราสร้างเราทา เพราะฉะนั้นถ้าหาเราตั้งใจสร้างเหตุดีแล้วผลเราไม่ต้องหวังก็ได้เพราะในเมื่อเราสร้างเหตุไว้แล้วผลเราไม่ต้องการมันก็ได้ไม่ย่างั้นเราไปสร้างสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองอ่าเป็นโทษหนักขนาดไหนก็าตามเราไปตั้งโอตั้งใจทํามีใครสักคนหนึ่งที่อยากได้โทษเหล่านั้นไม่มีใครอยากได้แต่ทําไมถึงต้องได้โทษเหมือนอย่างพระบุคลานาเนี่ยต้องการอยู่กับแม่ เมียก็ไม่พอใจอยู่กับทักอยู่กับแม่ด้วยอยู่กับเมียด้วยเมียไม่พอใจเพราะเมียไม่อยากไม่อยากอยู่กับแม่คนแก่ไม่พอใจกับแม่เมียก็เลยยื่นคาขาดถ้าจะอยู่กับถ้าจะอยู่กับฉันต้องจัดการแม่ถ้าอยู่กับฉันต้องจัดการแม่แต่กรรมเหล่านั้นเราสามารถทําดนลงไปได้ด้วยความโมหะ ความเขา่าความไม่รู้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีในสุดเชื่อเมียก็เลยเอาแม่ไปฆ่าหลังจากฆ่าเสร็จแล้วปึ้งเดียว4ี่นาที ห, าหนาทีให้โทษมา500ร้อชาติเกิดพบไหนชาติไหนถูกข้าฆ่าเกิดพบไหนชาติไหนก็ถูกข้าฆ่าต้องการไหมในขณะที่ท่านถามอดีตอดีตในชาติของพระมหากลนะท่านรมในขณะที่ท่านทำท่านต้องการไหมผลท่านไม่ต้องการท่านต้องการแค่จัดการให้แม่หมดไปเท่านั้นเองจะได้อยู่กับเมียสบาย ผลเหล่านั้นทําไมตามมาละ่ะนั่นคือเหตุเหตุที่เราทําไว้แล้วเนี่ยผลจะต้องตามมาให้ผลลบไปอยู่ที่ไหนก็หลบไม่พ้นไปอยู่ใต้ค้นทะเลมหาสมุทรมันก็หลบไม่พ้นทำไมมันถึงตามไปเล่นงานท่านกรรมเหล่านี้ทําไมมันถึงตามทันกรรมทําไมมันถึงตามทันเพราะพฤติกรรมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเราสังเกตุ ด, ดุพสิธิกรรมกายกรรมวิจีกรรม มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมโนกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมาแสดงให้ผลให้โทษที่กายมันก็สืบเนื่องไปที่มโนกรรมมันจะให้โทษมาที่วาจามันก็สืบเนื่องมาจากมโนกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อก็ว่าเราทําเหตุช่วยชาลาโอกเสร็จแล้วเราจะหลบไปอยู่ที่ไหนมันจะพ้นมันก็ไปเล่นงานเพราะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจมันดําปริมันน้ำปริดีชะที่ใจ แล้วก็ผลมันก็ย้อนไปเล่นงานตรงที่ใจนั่นแหละก็เหมือนอย่างว่ากรรมมันตามไปเล่นงานทําไมมันถึงตามไปพบตามไปเจอมันก็ตามไปเจอน่ะสิเพราะว่าเหตุมันเกิดท้องไหนผลมันก็แปลปรากฏตรงนั้นเหตุเกิดที่ไหนผลก็ปรากฏตรงนั้นเพราะกรรมก็คือกิริยาของจิตดวงนั้นเองในเมื่อมันเปล่งกิริยาออกไปแล้วกิริยาที่เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ตมามันก็มีขึ้น กิริยาที่ปรากฏตอบโต้มากนะี่คือกิริยาของกรรมที่จะพึงให้กรรมแต่อย่าลืมว่ากรรมนี้ไม่ใช่ว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองน ะ, ะทำชั่วก็ตามทำดีก็ตามทำด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะให้ผลเป็นทวีคูณก็ดูแค่พระโมฆลนะไปลงทุนฆ่าแม่กี่นาทีถึงห้านาทีหรือเปล่าแค่ไปทุบตีแม่แค่นั้นนะ่ะแม่ก็ตายขอให้แม่ตายหมดไป ไม่อยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับเมียสบายๆเนี่ยนะแต่กรรมทําไมให้ผลถึงห้ารอชาติมันไม่ใช่ทําทำหนึ่งได้หนึ่งนะมันทำหนึ่งแต่ว่าได้ผลเป็นร้อยเท่าพันทวีนี่คืออํานาจของบาปของกรรมอํานาจของบุญก็เช่นเดียวกันขอให้เราตั้งอกตั้งใจทําบุญด้วยความเรื่มเสศรัทธาเช่นอย่างเราตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลิ่งที่สําคัญที่สุดคือตั้งใจภาวนาะให้ใจได้รับความสงบ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของคนเรานั้นก า, การที่เราสงบระงับดับกิเลสตัณหาด้วยชลอกิเลสตัณหาทําให้เบาบางหมดหมดไปจากหัวใจเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นใครเคยตั้งใจปฏิบัติมาแล้วจะเห็นผลเห็นอ น, นิสงฆ์ในการตั้งใจศึกษาในการตั้งใจประพฤติในการตั้งใจปฏิบัติให้ใจของเราได้รับความสงบให้เราตั้งใจเภาวนาให้ใจได้รับความสงบเราจะสามารถรักษาพฤติกรรมที่มันจะ เล็ดลอดออกไปแสดงพฤติกรรมที่กายของเราได้ที่มันจะเล็ดลอดออกไปแสดงพฤติกรรมที่วาจาเราได้และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถ้าจะทําบุญให้ทานเห็นผลเห็นอา น, นิสงส์ตังในการให้ทานให้ยจนหมดเนื้อหมดตัวนี่คือผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องอัตเรื่องธรรมจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถึงขนาด น, นั้นท่านจึงให้ตั้งใจรักษาใจให้ได้รับความสงบใจสงบ ก, ก็คือตัณหาสงบ ใจสงบก็คือกิเลสสงบอย่าลืมว่าอวิชชาตันหาอุปาทานมันอันเดียวกันมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงของจิตของเรามันเกิดขึ้นจากความ ง, ง้อของจิตของเราจิตของเราเป็นวัตถุคือทารู้ที่เรายังไม่เคยมาช้ามาล้างมาขัดมาเปลา่าเรารู้ได้ไหมว่าทารู้ของเราคือจิตคือผู้รู้ของเราเกิดขึ้นตั้งแต่กับการโพรชาในเราก็ทราบไม่ได้ท่านก็ทราบไม่ได้ พระ พ, พ, พทุทธเจทนทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาที่ท่านทรงทรงตรัสไว้นั้นถ้าหากเราไปศึกษาแล้วมันเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนเป็นงามเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมที่สุดอวิชชาอาวิชชาครอบ ง, งามมาแล้วมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้รู<ม>้ของเราผู้รู้ของเราเกิดขึ้นมาพัฒนาตัวเองมาพร้ อ, ม, รอมกับสิ่งที่เป็นมณทินปนเปื้อนมาด้วยแต่พระอรหันต์นั้นอ่ะท่านชะล้างสิ่งที่เป็นมณฑินให้หมดไปจาก ไปจากหัวใจพระพุทธเจ้าชะล้างมวลทินทั้งหลายที่เป็นเรื่องที่ปนเปื้อนมาจากธาตุรู้ของพระองค์หมดไปจากพระไทยของพระองค์เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นธาตุรู้นะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เช่นอย่างร่างกายของเราพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอันนี้เป็นรูปธรรมมารวมกันเป็นรูปธรรมแต่จิตของเราเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้นี่มันพัฒนามาของมัน เนื่องจากว่าเราไม่เคยไปดัดแปลงแก้ไขอะไรเลยเนี่ยถ้ารู้พัฒนาไปตามโมหะความครอบงําอยู่อย่างนั้นเองแต่ด้วยเหตุที่เรามีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมคือสติความตื่นรู้ของจิตเนี่ยสามารถเอามาจัดเอามาทําเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาเชะล้างผู้รู้เหล่านี้ให้สิ่งที่เป็นมายาปนเพื่อนมากับจิตเหล่านั้นเน่ยเสื่อมไปได้หมดไปได้ในที่สุดเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธ เมืออย่างพระพุทธเจ้าท่านชะจนเหลือแต่ท่ารู้ที่บริสุทธิ์พระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกชะล้างท่ารู้เหลือแต่ท่ารู้ที่บริสุทธิ์กิเลตันหาอาวิชชาตันหาอุปาทานเหล่านั้นสงบระงับดับหายไปเพราะตันหาเหล่านั้นตันหาคือตันหาคือความอยากอย่าลืมว่าความอยากเป็นสมุทยัยตันหาคือความอยากสมุทยัย กามาตันหาภว ะ, ะตันหาวิภว ะ, ะตันหานี่คือตัวสมุทยัยเราก็ค่อยหมุนเข้าไปถึงหลักหลักใหญ่ๆที่อยู่ในหัวใจของเราที่มันจะเป็นเหตุก่อตัวให้เราสุขให้เราทุกข์อยู่ในหัวใจของเราตันหาคืออำนาจของความอยากในหัวใจของเราความอยากเหล่านี้สืบเนื่องมาจากผู้รู้ของเราเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจดิ้นรนทเที่ยวทยานพเพลินไปกับสิ่งที่เห็น ที่ได้ยินที่สัมผัสสัมพันธ์มาตลอดกับตลอดการกี่ชาติกี่บุเรชาต์เราก็ทราบไม่ได้มันก็เพลินหมักงอ ม, มอยู่อย่างนั้นอย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่มีผู้รู้ท่านได้บรรุษคุณธรรมเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าของเราแต่มันไม่ใช่ได้มาเหมือนกัรจับเสื้อมือเปล่าพระองค์สร้างบารมีมาเท่าไหร่เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปขอได้คุณธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะมาชล้างพระชัยของพระองค์ให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปสอน คนอื่นให้เขาบรรลทุทำตามทตามตามพระองค์ไปได้พ้นทุกพ้นโทษในวัฏสงสารไปได้เพราะมาพิจารณาและเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี่มันเหลือบา ก, กว่าแรงจริงๆที่จะต้องมาอดมาทนได้ แม้แต่บา ง, บางคนบางท่านเองท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะบุญญาบา ร, รมีของท่านกําลังเดินไปแต่มาพิจารณาถึงวัาตระสงสารยืดยาวไกลเหลือเกินท่านต้องมาขอลาขอลาออกจากการปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าโอ้มันจะต้องสร้างบา ร, รมีโดยประเภทปัญญาที่กะสี่อสงไขยแสนมหากับถ้าประเภทสติที่กะแปอสงไขยแสนมหากับถ้าประเภทวิรยิยะธิกะ16อสงไขยแสนมหากับ สร้างบารมีนี่เราพูดถึงว่าผู้ที่จะมารู้คุณธรรมเหล่านี้ที่จะเอามาเปิดเผยมาบอกสอนให้พวกเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ได้มาเหมือนเสือจับเสือมือเปล่าโอ้ต้องสร้างบารมีทานก็ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรามัตถบาร ม, ารมีให้วัตถุทานพื้นให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานมาคิดดูสิพวกเราทําได้ไหมให้อวัยวะเป็นทานนเราพอเห็นได้บ้างเช่นอย่าง ภรยาสามีคู่หนึ่งสามีไตาวายทั้งสองข้างเนี่ยภรยาไตาดีทั้งสองข้างอ่าไปอุทิศให้กับสามีข้างหนึ่งทําให้ทั้งสามีทั้งภรรยาคู่นั้นน่ยมีชีวิตเป็นฟ้าสุบิวด้วยกันต่อมาได้นี่คือให้อวัยวะเปลี่ยนฐานนี้ในโลกปัจจุบันนี่ยนะยังมีได้แต่ผู้ที่ให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นฐานมีไหมแต่ในตำนานในตำนานท่านกล่าวไว้ถึงพระโพธิัตวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ชีวิตเป็นฐาน พบชาติที่พระองค์เป็นดาบบทอยู่ในป่านั่นเห็นแม่เสือลูกอ่อนกําลังจะกินลูกของมันมันหิวมันกำลังจะกินลูกของมันโดดลงโดดไปให้แม่เสือกินอย่างน้อยก็ได้ช่วยได้ช่วยลูกเสือได้ไปหลายวาระว่างั้นเถอะสละชีวิตให้เปลี่ยนทานไม่มีความกลัวความตายขอให้ได้ไมได้คุณธรรมเหล่านั้นการปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ยอย่างนี้เองแต่พวกเราอาจจะเอาใจขวกเราไปใส่เหมือนท่านมาได้แค่ พระเวสสัดนดรให้ชาลีกันหามัตสีเป็นทาเ น, นี่ยพวกเราก็รับไม่ได้แล้วเพราะเราเอาเราเอ า, เราเอาใจของท่านมาใส่ใจเราแท้ที่จริงถ้าเราเอาใจเราไปใส่ใจท่านท่านปรารถนาที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นท่านทําได้ท่านบอกว่ า, าชาลีกันหามาตัตสีรวมทั้งช้างมา้าประเทศทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รักของพระองค์แต่ พระโพธิยานพระองค์รักพระโพธิยานยิ่งกว่ารักหมดนั่นแหละแต่รักพระโพธิยานยิ่งกว่าอรักชาลีรักกัญหารักมัสยีรักเหมือนกันแต่รักพระโพธิยานยิ่งกว่าจึงสามารถทําได้และเมื่อทําได้แล้วก็เป็นเหตุทําให้บารมีของพระองค์เต็มตื้นได้อย่างรวดเร็วเราไปเทอาปฏิเสธไม่ได้ดอกอืเราไปเถียงธรรมะกับฝรังฟรังคำวาเถียงเรา ว่าพระเวสสันดรไม่มีเมตตากรุณากับชาลีกันหากับมัดสีเนี่ยเขารับไม่ได้เนี่ยเราเขาเราก็เราก็ถามอ่าเราก็ถามว่าอยากกวนทุกไหมอ่าถ้าอยากกวนทุกอสามีภรรยาอยู่ด้วยกันสามีต้องเอาใจภรรยาภรรยาต้องเอาใจสามีเป็นทุกไหมเป็นทุก <laughs> อสามีเจ็บไข้ได้ป่วยภรรยาเป็นทุกไหมเป็นทุก ภรยาเจ็บป่วยสามีเป็นทุกข์ไหมภรรยาตายสามีเป็นทุกข์ไหมสามีตายภรยาเป็นทุกข์ไหมมีแต่กองทุกเ ท, เท่านั้นเพราะฉะนั้นกองทุกกองหนึ่งไปบวกอีกกองทุกอีกกองหนึ่งเกิดกองทุกมาอีกสองกองสามกองอีกกี่กองทุ ก, ก, ก, ทกรับแบกกองทุกทั้งหมดสมมตินในครอบครัวนะั้นมีห้าคนเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกอีกสามคนพ่อต้องแบกกองทุกทั้งห้ากองสี่กองด้วยและรวมทั้งตัวเองด้วยเป็นห้ากอง ลูกแต่ละคนแต่ละท่านก็นเหมือนกันนี่คือกองทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปได้เพื่อเกิดความรู้เกิดความเห็นเพิ่มพูนสติปัญญาสามารถเล็ดลอดจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปได้นี่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านสามารถมีวิชาการแยกแยะสิ่งที่ชั่วช้าลามกในหัวใจออกจากรัชไทยของพระองค์ได้เรารู้ได้ไหม ปัญหาเกลียดที่อยู่ในหัวใจของเราเราต้องรู้ได้ถ้าเรารู้ไม่ได้เราจัดการไม่ได้เราตั้งใจปฏิบัติสงบระนับจะลอแล้วก็หยุดมันไม่ได้เราย้อนไปดูที่ใจของเราขณะใดก็ตามความอยากเกิดขึ้นในหัวใจของเราให้เราย้อนไปดูจับเริ่มแรกให้หัดจับความอยากซะก่อนความอยาก ใ, ในใจของเรานะอย่าลืมว่า ความอยากในใจของเราอยากอยากอยากยากต่อเนื่องสัหน่อยหนึ่งมันส่งมาที่กายแอยากอยากอยายากต่อเนื่องมันส่งมาที่วาจาคําพูดความอยากเราเนี่แหละคือตันหาแต่ให้เราเข้าใจความอยากสองอย่างความอยากอย่างหนึ่งอยากตามทําตามอํานาจของตันหาอยากปีนเกลียวกับศีลกับธรรม อยากปีนเกลียวกับกฎหมายบ้านเมืองขนบมรำเนียมประเพณีความอยากเหล่านี้เป็นความอยากด้วยอำนาจของตันหาเป็นความอยากตามอํานาจของเกิเลดความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากมีสมาธิอยากมีปัญญาอยากวิมุติหลุดพ้นอยากได้มรดกได้ผลอยากได้นิพพานความอยากอย่างนี้เป็นมรดกให้เราพยายามจับไปไปที่ความอยาก แล้วเราไปดูว่าความอยากอยากเพื่ออะไรอยากเป็นกับปีนเกลียวกับศีลกับธรรมเลยอ๋อเป็นสมุทยัยเป็นเรื่องนํากองทุกกองโทษมาให้แต่ถ้าเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานอ๋ออันนี้เป็นมรักให้ส่งเอาไวา้ให้รีบสนองเราตั้งใจศึกษาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็อยากจ่อมาดูที่หัวใจของเราจอจนสามารถเห็นเห็นในใจของเรา ใช้สติใช้สัมผัสันยักกำกับจุดจอ่อจ่อพิจารณากายของเราเล้มตาท่านสอนให้พิจารณาตามหลักอริยสัจสี่ท่านสอนให้กําหนดทุกอย่าลืมว่าร่างกายของเราทั้งก้อนนี้เป็นกองทุกข์จิตใจของเราทั้งดวงนี้เป็นกองทุกข์ตราบใดที่เราเอาสติสัมผัสฉันยัยกของเราจ่อมาพิจารณาที่กายมันเป็นกายมันเป็นการกําหนดทุกข์มันเป็นการพิจารณาทุกข์แต่ท่านไม่ให้ลืมย้อนไปดูสมุทัย เพราะการพิจารณาทุกนี่พิจารณาเพื่อที่จะให้เห็นสมุดไทยท่านให้พิจารณากายและก็าย้อนมาดูสมุดไทยที่ใจกำหนดกายและกาย้อนมาดูสมุดไทยที่ใจกำหนดจจกายก็คือเอาจิตละกำหนดกำหนดมาดูที่จิตก็คือเอาจิตและย้อนมาดูที่จิตใช้สติกำหนดย้อนไปที่กายใช้สติกำหนดย้อนมาดูที่จิตถ้าเรากำหนดย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเราจะเห็นพฤติกรรมของตัญหามันแสดงออกมาที่จิต ตราบใดที่มันแสดงออกมาได้จังหวาพอดีมันปะทะกันหนึ่งราไปเลยอันนี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติไปทาแล้วจะเจอจะพบจะเจอจะเห็นจะไปเจอกิริยาอาการที่ธรรมะกับกิเลสมันปะทะกันในหัวใจของเราการที่เราเห็นตัณหามันสยบระงับดับลงอย่างนี้เ็าเรียกว่าเห็นตัณหาดับการเห็นเกิดเห็นดับอย่างอื่นแต่ไม่เห็นตัณหาดับมันไม่มีกาลัง การที่เราเห็นตันหาดับนั่นแหละทําให้รู้สึกได้กําลังโอ้ราไปเป็นห้าวันสิบวันนั่นแหนะราไปเลยมันยั่วไปเลยเมื่อเราเทน้ําออกจากถุงพลาสติกนะ้นําใส่ถุงพลาสติกเป้งๆนั่นแหละเทพรวดแป๊ะไอ้ที่มันขึ้นไอ้ที่มันขึ้นเต็มแพร่อยู่ในหัวใจของเรานะ่ยมันมีความรู้สึกเกิดความรู้สึกอย่างนั้น ขอให้เราตั้งอกตั้งใจฝึกเข้ามาอย่างนี้ช่วงแรกให้เรานั่งตั้งตั้งใจทําความสงบให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธถ้าหากเรามาจับคุณธรรมที่สูงกว่าอย่างนี้ทานมันจะเป็นไปเองศีลมันก็จะอยากได้เองทานก็อยากได้เองศีลก็อยากได้เองเพราะอะไรเพราะทานศีลน่ะมันเกื้อกูลสมาธิมันเกื้อกูลปัญญาเอ๊ะในเมื่อเราต้องการสมาธิเราต้องการปัญญา เ ร, เราไม่ให้ทานไม่ได้เราไม่รักษาศีลไม่ได้เราไม่รักษาศีลเราไม่รักษาศีล เ, เราไม่ให้ทานเหมือนเราต้องการเอาไม้สดไปถูให้เกิดไฟมันย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งพวกเราเป็นคารวาด้วยแล้วมันเหมือนกับไม้สดที่ชุม่มโดยยางและยังถูกแช่อยู่ในน้ำอีกหมายความว่าบริโภคกรามเหมือนถูกแช่อ ย, อยู่ในน้ำ เอาไม้สดจุ๊บด้อย่างแล้วก็แช่อยู่ในน้ําเอาไปสีกันให้เกิดไฟเป็นไปได้ไหมลูกพระเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องการจะให้ผลของสมถะเป็นไปต้องการให้ผลของวิปัสสนาเป็นไปมันเลยเป็นเหตุว่าได้ศีลมาโดยอัตโนมัติได้ทานมาโดยอัตโนมัติไม่เชื่อท่านทานายลองทําลองดูท่านไปขยับอยู่แต่การให้ทานอย่างเดียวไม่ไม่กล้ามารักษาศีลไม่กล้าเสียสลัก ไม่กล้ามาเสียสละนั่งเภาในนาห้นาทีสิโอ้ยเสียเวลาเสียเวลาไปดูหนังสือได้สักสองแถวสามแถวมีผลมากมายมหาศาลมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเรามันยังไม่ดับแต่มันแค่สงบระงับไปด้วยสมถะนกะก็ถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้วแหละด้วยเหตุที่เราตัด ก, กําลังมันได้มันไม่มีกําลังแสดงฤทธิดเดชออกมาที่หัวใจของเรา เราจึงสามารถจะหาวิหาช่องหาทางที่จะสังหารมันได้หาวิธีการคลี่คลายหรือฟื้นหาความให้เห็นความโง่ความหลงงมงายของเราที่เราไปยึดยึดไปยึดไปเกาะจนเป็นเกียเหตุให้เกิดกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเป็นเหตุให้เรายึดเกาะในตัญหาการมตัญหาการมตัญหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของกามตัญหา ตัณหาเหล่านั้นถ้าเป็นวัตถุก็เป็นตัณหาพื้นๆธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องของกามราคะมันเป็นเรื่องของยอดของกามาคุณสิ่งเหล่านี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะหมดฤทธิ์หมดเดชจากสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องพิจารณาเห็นเห็นโทษเห็นอ น, นิสงของกามอย่างแท้จริงแต่ต้องมีคุณธรรมตั้งแต่ประโสพระอนาคาเป็นต้นไป พระโสดาบันก็เริ่มพระสกิทาคาก็เริ่มไปแล้วเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มมีขอบมีเขตขยับเข้าไปรู้เริ่มเห็นแตกหักกันได้นุ่นพระอนาคามีเหมือนอย่างวิสาขาเสตีนะั่นท่านก็ถือศีลห้าเหมือนอย่างพวกเรานะี่ยไปฟังเทศทุกวันทุกวันทุกวั น, วนได้โสดาได้สกิทาคาวันหนึ่งไปไปฟังเทศพุทธเจ้ากลับมาได้เป็นพระอนาคามีพอไปถึงบ้านก็ไปบอกเลิกกำลังธรรมทินนา อ, นน อ, อ, อันนั้นเธอก็เอาไปอันนั้นเธอก็เอาไปเมื่อก็ไปแยกสมบัติกันเราเคยเกี่ยวข้องกันยังไงต่อไปนี้เราจะไม่ยุ่งกันเราจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วภรรยาเลยทราบว่าโอ้สามีท่านได้เข้าถึงทำชั้นละเอียดแล้วพรรยาไม่ยอมขอบวชก่อ น, นเรื่องอะไรจะเอาสมบัติเหล่านั้นเหมือนก้อนน้าลายของคนอื่นขอไปบวชก่อนไปบวชไม่นานได้เปลี่ยนพระอรหันต์ก่อนนานเห็นไหมเราดูถูกเขาได้ที่ไหนผู้หญิงดูถูกเขไม่ได้ หลงตาทว่าหัวใจของคนเนี่ยไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีเพศแต่ด้วยเหตุที่เราได้เป็นเพศผู้ชายก็ยืดมาเป็นกลับกันได้เพศผู้หญิงมาคืยืดถือมาเป็นกลับกันเลยเป็นสัญญาอารมณ์สําคัญมั่นหมายเออเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายผู้รู้ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายมีความละเอียดออนสามารถจะพิจารณางานละเอียดถึงขั้นตัดกิเลสนาสวาได้เพราะฉะนั้น พระนาพระนานังประชาบดีโคตมีอย่าบวชพระพุทธเจ้าหาวิธีตัดร้อนไม่ให้บวชพระอานนท่านฉลาดพระเจ้าข้าผู้หญิงสามารถอปฏิบัติได้มรักได้ผลได้นิพพานได้ไหมพระเจ้าข่าได้อานนท์ถ้าอย่างนั้นพระนานางเหมือนกับพระอนนท์ไปทวงเอาบุญเอาคุณกับพระพุทธเจ้าเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ พระนาสริมหาวายาที่บองคตตั้งแต่พระองค์อายุเจ็ดวันไม่ใช่เจดขวบนะตั้งแต่เจ็ดวัน <c oughs> ในสุดถ้าเธอถือครูธรรมแปประการได้ความเป็นภิกษุณีจงเป็นของเธอเถิดอู้นางพระชาบดีโคตมีดีอกดีใจเหมือนกับดีอกดีใจจนจะเหาะจะลอยกับพวกนางสาตยานีได้บวชเป็นต้นต่อของนางภิกษุณีนี่คือ ก, การตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติ นี่เราพูดถึงว่ารักษาศีลห้าและก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้แต่จะเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้จะต้องไปจากความสงบนะการสงบความสงบภายในใจของเราคือการมีสมาธิสมาธิในใจของเราก็คือความสงบเวลาเราต้องการให้สงบใจของเราก็จะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเมื่อในเมื่อใจเราสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเชื่องอยู่กับอารมณ์เดียว ใจของเราก็พร้อมที่จะทำงานเราให้เขามาพิจารณาร่างกายพิจารณาเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างพิจารณาธาตพิจารณาขันเขาก็พร้อม ท, ที่จะพิจารณาได้เพราะเขาไม่หิวจิตที่ไม่หิวไม่หอยคือจิตที่อิ่มจิตที่สงบจิตที่อิ่มจิตที่สงบจิตที่มีสมาธินี้เองถ้าจะเทียบกับไม้ก็เหมือนกับไม้แห้งไม่ใช่ไม้สดอ่า เราบริโภคกามด้วยเราอยู่ครองเรือนด้วยเราบริโภคกามด้วยเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางเอามาเสียเกิดไฟเกิดได้ยากเหนื่อยเปล่าพระุทธเจ้าท่านทงว่าเหนื่อยเปล่าเรามีกายออกจากกามแล้วแต่ใจเรายังไม่ออกจากกามสีไม้เหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางถึงแม้ว่าจะไม่แช่อยู่ในน้ำเสียเกิดไฟก็ยังเหนื่อยเปล่าอีกเพราะฉะนั้น กายเรายังไม่ออกจากกามแต่เราสามารถเอาใจออกจากกามได้ใจที่สงบนี่แหละคือใจออกจากกามท่านทั้งหลายการที่เราตั้งใจผ่อนนัยใจได้รับความสงบคือใจของเราเริ่มออกจากกามใจของเราออกจากกามคือใจเราสงบใจเราสงบคือใจเราออกจากกามเหมือนไม้แห้งปริญญาท่านทรงมาอุปมาอุปมากับพระองค์อุปมาเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระองค์เองพระองค์ท่านเอามาสอนให้พวกเราเอามาฟังเป็นกฎเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะมาพิจารณา ที่จะมาตัดสินใจในเกณฑ์ปฏิบัติของเร า, าเราอยู่ครองเรือนั่นแหละแต่เราเพาวนาให้ใจได้รับความสงบเมื่อใจได้รับความควาสงบก็เหมือนกับไม้แห้งเพระาะฉะนั้นพิสาขะท่านจึงสามารถได้พระโสดาพระสกิตาขาพระนาคาพอใจสงบแล้วกิตสงบแล้วมันพัฒนาให้เกิดให้รู้ความรู้ความเห็นเห็นร่างกาย เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณมันจะพิจารณาเห็นทุกขเห็นโทษเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแต่ถ้าหักใจไม่สงบแล้วมันเอามาทำยากเพราะใจมันไม่อิ่มไม่พอใจมันหิวการที่เราการที่เราอิ่มพอนั้นเหมือนกับเราบริโภคอาหารอิ่มร่างกายมันไม่หิวแล้วในขณะที่มันไม่หิวด้วยมันก็มีกําลังด้วยนะเหมือนอย่างเราบริโภคอาหารเนี่ยเราบริโภคจนอิ่มแล้วร่างกายไม่หิวไม่หิวด้วย และมีกําลังด้วยจิตที่สงบเหมือนไม้ที่แห้งจิตที่สงบเหมือนไม้ที่แห้งเอาไปสีให้เกิดไฟสีแต่ในขณะเดียวกันการตั้งใจสี ส, สีสีแล้วก็หยุดสีสี ส, สีสีแล้วก็หยุดแทนที่จะเกิดไฟมันก็เกิดไม่ได้ท่านจึงให้สีไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆงานนี้เราต้องจับไปเรื่อยๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำไปจนตายอย่างนั้นเถอะไม่ใช่เอาไปตายสดๆร้อนๆวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นทําไปจนตายเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทำไปไม่หยุดไม่หย่อนทำหนักบ้างทำสมำเสมอบ้างทำหนักแปบหนักมากบหนักหน้าไปบ้างสมำเสมอบ้างหน้าไปเหมือนเขาสีไม้เกิดไฟจนปรากฏไฟเป็นควันขึ้นมาเป็นเข่าดำๆเป็นฐานแดงๆขึ้นม า, าก็ยับไม่หยุดจนเปลวไฟลุกฮึบขึ้นมาเราพิจารณาจนปัญญาเหล่านั้นมันกลายเป็นปัญญายานขึ้นมา การที and plets, and Money, ่เราจะพิจารณาซ้ําๆๆเราพิจารณาทาไมพิจารณาเพื่อเป็นการฝึกซ้อมฝึกซ้อมปัญญาเหล่านั้นมันไม่ต่างอะไรกับเราขัดสีเอาไม้ไปสีกันนั่นแหละสีๆๆเพื่อให้เกิดความร้อนอ่าพอได้ที่มันก็ฟึบขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้ปัญญาเหล่านั้นเมื่อเราขยับถึงที่ปัญญาเหล่านั้นก็กลายเป็นปัญญายานที่เรียกว่าญาทัศนะยานัศนะมันเกิดความรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มแจ้งรู้เห็นแจ่มแจ้งอะไร รู้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนกับเหตุกับปัจจัยของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าโอ้มันไม่ใช่เราจริงๆถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้ไม่ให้แก่เราก็ต้องบอกได้ไม่ให้เจ็บเราก็ต้องบอกได้ไม่ให้ตายเราก็กต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้นั้นเองเราจะว่าเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงปล่อยหมดเพ ร, ะเราะปล่อยหมดพระองค์ก็เข้าถึงประมังสุ ข, ขัง <at> <ๆ>อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไปทรงไปฝึกชานกับ 阿拉ระดาบทได้สมาบัติเก็บอุทกกระดาบทได้สมาบัติแปดคำว่าสมาบัติก็คือคำว่าสมาบัติก็คือระ ด, ดับความสงบของจิตโอ้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาดำดินบินบนสารพัดได้ด้วยอํานาจของจิตแต่กิเลสยังกองเต็มแปร่อยู่ในหัวใจหลังจากเรียนจบแล้วอาจารย์บอกว่าจบแล้วพระองค์ย้อนมาดูพระทัยขององค์กิเลสกองหยุดเต็มอยู่ในนั้นความทุกข์ตั้งหลายกองเต็มอยู่ในพระทัยของพรองค์ทุกข์ห่วงกังวล ห่วงใ ย, ยวิตกกังวลสารพัดอยู่ในพระทัยของเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เพระชนม์พระองค์จึงมาทําโดยลําพังของพระองค์แต่พระองค์มีบุญญาบารมีสร้างไว้สี่สงไทยแสนหม า, ากับนั่นเองบารมีเหล่านี้คอยหนุนพระทัยของพระองค์ให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เนืองเนืองเป็นเหตุให้พระองค์ทรงมาตั้งความเพียรในวันเพียรเดือนหกนั้นแนหะตั้งแต่ปฐมยามยามที่หนึ่งสมาธิเต็มแป้อยู่แล้วไม่ต้องทํามันเต็มอยู่ทุกขณะเนี่ย รูปรู ป, ปสมะบัติมันค่อยที่ไหนล่ะนะฮะพอทำงานจับยังไงก็อยู่อยังงั้นจิตไม่หิวไม่โหยนี่ <_ d ose> เพราะฉะนั้นเริ่มได้ยานปถมยามระ ล, ลึกภพชาติทั้งหลายทั้งปวงของพระองค์ได้ไม่จบอ่าในปิมยามได้จุดปัจจยาน <_ d ose> เห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดจุติกรื่องจุติสัตว์ทั้งหลายจุติเกิดด้วยอํานาจของกรรมกรรมนั้นทํากรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นเห็นทั้งภพชาติของสัตว์ เห็นทั้งพวกชาติของพระองค์ไม่จบไม่สิน้นโอ้ความเกิดความตายหน้าเบื่อหน้าหน่ายพระองค์ก็หมุนอยู่ปัดฉิมยามยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันเพียงเดือนหกวันนั้นทําให้พระไทยของพระองค์นี่เข้าถึงอาสวัคยาญาณย้อนไปดูภายในพระไทยของพระองค์นี่โล่งไปหมดกิเลส ท, ทั้งหลายที่เคยกองเต็มแปรยอยู่ในพระไทยของพระองค์มันเหือดแห้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อันนี้มันเข้ากับหลักของสมุทยัยสมุทยัย สมุทัยคือตันหาในหัวใจคือความอยากนิ้หัวใจของเรามันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนไม่มีนะเพราะเราขยับไปแล้วทําไปแล้วทําไปแล้วพอถึงที่หมดแล้วเหือดไปเลยแห้งไปเลยหายไปเลยหมดไปเลยเหือดแห้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เมื่อก่อนมันกองเต็มแพร่อยู่มันมีอยู่มันมีฤทธิ์มีเดชอยู่พอถูก ด้วยตปะธรรมพระพุทธเจ้าท่านแผดเผาด้วยตปะธรรมโอทั้งรูปปัตตมาบัติทั้งอารูปปัตตมาบัติทั้งญาณาทศนัทั้งหลายทั้งปวงเป็นตปะธรรมแผดเผาอยู่ทั้งนั้นอ่ะกิเลสทั้งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็หือดแห้งหายไปมันคงไม่ต่างอะไรกับความชื้นของไม้ที่มันสดๆดนั่นแหละอ่ามันขัดสีสีไปสีไปมันเหือดแห้งหายไปหมดจนติดเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้ญาณทัศนัเกิดขึ้นกับพระองค์ พบชาติทั้งหลายกิเลียงตัณหาอาสวะทั้งหลายหมดไปจากพระไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อให้เกิดพบเกิดชาติอีกไม่มีในเมื่อตัณหาดับแล้วอุปาทานมันก็ไม่มีในเมื่ออุปาทานไม่มีแล้วพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเรื่องอะไรเราจะต้องมาได้ตัวตัวนั่งต้องหมองตองแหมงได้ประสบโศกะภริเทวะทุกขโทมนะสาวปายาตไม่มีโดยเหตุที่เรามีพบชาตินั่นเองเราจึงไปเกิดในพบ<ม>ในชาติเราไม่มีพบไม่มีชาติแล้ว มันไม่มีภพด้วยมันไม่มีผู้ที่จะไปอบัติในภพด้วยเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แก่ใจว่าโอ้ภพชาติสิ้นแล้ววัตฏะสงสารภายในของพระองค์เนี่ยหมดแล้วจบสิ้นแล้วมีพระองค์ถึงที่สุดแล้วอันนี้คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์จะถือตามอุทกดาบทอารารดาบทพระองค์ไม่ได้มาพิจารณาอีกพระองค์ก็กองอยู่กับกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ตายแล้วไปเกิดบนพรหมโลกอายุ8 4มืนพันกับเมื่อไรจะจะได้ลงมาเกิดอีกเขาไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยปัญญาบารมีของพระองค์มันไม่มีสิ่งอรมาปิดมาบางังมากัน้นพระองค์ไว้ได้พราามเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการมีความสุขเขาถือว่ารูปปสมบัติรู ป, ปสมบัติเขามีความสุขเต็มเอม็มเต็มเต็มอิม่มพร้อมอยู่นั่นแหละเขาไม่กล้าปล่อย เพราะฉะนั้นาศาสนาของเขาคือเต็มเต็มแปร่ไปด้วยอัตตาเอ๊ะถ้าปล่อยอัตตาถ้าถ้าปล่อยตัวผู้บอผู้สเสวยสุขจ้าอะไรมาสุขถ้าไม่มีผู้ mm. บอ ส, สเสวยสุขจเจ้าอะไรมาสุขเขาเลยไม่กล้าปล่อยแท้ที่จริงคือไม่รู้ไม่รู้ช่องไม่รู้ทางพระพุทธเจ้าท่านรู้ช่องท่านรู้ทางท่านก็เลยปล่อยเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมของพระองค์จึงเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตาท่านปล่อยไปเลย เคยยึดเอาไว้เคยเกาะเอาไว้ไม่ยึดไม่เกาะปลอยพอปลอยเข้าไปแล้วเข้าถึงประมังสุขังพ้นทุกพ้นโทษโ ด, โดยสิ้นเชิงแล้วก็ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่หมดไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกเรามาดูตอนที่พระองค์เข้าสู่มหาปรินิพานพระองค์เอาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยเข้าชั้นที่หนึ่งที่2ที่สมที่4อ่รูปไปชันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สไปประทับอยู่ที่สัญญาเว ท, ทยิตานิโรธพระอนุรุธท่านมองเห็น ในขณะที่ปร ะ, ประทับอยู่ตามองชานเหล่านั้นถ้าอานุปัะมองเห็นทีนี้พอออกมาจนถึงพระจิตธรรมดาเข้าไปใหม่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากชานที่สี่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ออกจากชานที่สี่อรูปไปฌานก็ไม่เข้านะารูปไปฌานถ้ารู้ที่บริสุทธิ์เหล่านั้นก็ไม่อยู่ถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ก็ไม่อยู่อรูปไปฌานถ้ารู้ที่บริสุทธิ์เหล่านั้นก็ไม่เข้า พระอนุรุธะมองไม่เห็นมองไม่เห็นท่ารู้ที่บริสุทธิ์พูกได้อย่างเดียวว่าพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยท่ารู้เหล่านั้นเนี่ยหมดไปจากโลกนะไม่หมดแต่หากว่าไม่พลาดพิงส ม, มุติก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราทําบุญให้ทานเราเลึกถึงพระองค์มากราบพระบูชาพุทธังธรรมังสังขงัสรสาร น, นังกัจฉามิมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกระเทือนถึงพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าใครอยากเห็นเรา ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่คือผลอา น, นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ได้เอาความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาให้พวกเราทั้งหลายได้ข้อคิดข้ออ่านได้แนวประพฤติได้แน ว, แนวปฏิบัติขอให้เราพิจารณาความอยากให้รู้ว่าความอยากอันไหนเป็นสมุทยัยเป็นเรื่องของจิเลตให้รู้ว่าความอยากอันไหนเป็นเรื่องของมรร และตั้งใจประพฤติตามข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนมากในเมื่อเราตั้งใจประพฤติทมปฏิบัติทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เราอยากให้ทานอยากรักษาศีลไปในตัวอ่ามันโดดขึ้นไปที่สูงก็จริงอยู่แต่มันมองย้อนมาข้างหลังอ้าวถ้าไม่มีข้างหลังหนุนเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเือให้ใจต้องยอมรับต้องเสียสละให้ทานถ้ามมีคุณสมบัติถึงขนาดนี้แล้วอ่า จะมองไม่เห็นประโยชน์ในการให้ทานในการตั้งใจรักษาศีลเพราะเพราะอยากได้สิ่งที่ดิบที่ดีอยากค้นทุกขนโทษในวัตฏสงสารจึงพยายามขวนขวายและก็จัดสร้างธรรมพวกเราทั้งหลายเราไม่อดไม่อยากเรามีบุคลากรได้ยินได้ฟังมีจัดอบรมที่นี่ฝึกฝนอบรมที่นู่นสำนักนู่นตั้งตั้งจัดปฏิบัติอย่างนั้นสำนักนี้นตั้งใจจัดปฏิบัติอย่างนี้ขอให้เราสแสวงหาทําโอกาสให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับประโยชน์ ในหัวใจของเราเองรูปศาสนานั้นมีประโยชน์ถ้าหากเราน้อมนํามาประพฤติน้อมนํามาปฏิบัติถ้าหากเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติไม่มีการบอกการสอนกันด้วยแล้วพระผู้ศาสนาก็เป็นหมันอย่าลืมว่าพระศาสนาจะไม่เสื่อมไปจากโลกเพราะหลักคําสอนของผู้ศาสนานั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงของวัตถุอยู่รอบข้างตัวเรา การตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครยึดได้ถือได้คือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ประจําโลกใครรู้ก็ตามใครพระพุทธเจ้ามาตรสรู้ก็ตามไม่มาตรสรู้ก็ตามสิ่งเหล่านี้มีประจําอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนามีวันเสื่อมแต่ถ้าหากเราเพวกเราเสื่อมจากพระศาสนาจิตความเลื่อมใสศรัทธาของเราเสื่อมจากพระศาสนาทีไรเมื่อไรแล้ว เหมือนกับพวกเราเดินห่างออกจากดวงไฟยิ่งเดินห่างไปอะไรยิ่งมืดมืดืมื ด, ม ด, มดตึ๊บจนมองไม่เห็นตัวเราเองแม้แต่ประโลกดับชีพไปชนพักมืดตึ๊บอู้ไม่รู้จะไปไหนแหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าทิ้งสินทิ้งธรรมขอให้ตั้งอกตั้งใจรักษาสินประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นพรในตัวขอให้พรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่บวกเราตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติ จงมาอำนวยอวยใชัยให้พรกับพวกเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยลาบเจริญด้วยยศเจริญด้วยเกียรติเจริญด้วยหน้าตาในสังคมเจริญด้วยจตุรพุทธจตุรพิษทพรชัยทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบคนในครอบครัวของท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญได้อัดได้ทำโดยทุนากนาเอวัง ไม่ได้ดูเวลาเลยเนี่ย <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะเสมิชชตดุสเพปูเรนตุสังกป า, าจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธา สพีติโยวิว oh ัชันตูสปโรโควินัสตุมาเตภวัตวัรณตรยโยสขีทีคายยโกผวะอภิวาทนาสีริสชนิดอย่างวุธาไปใจโนจตารโรธรรมวันติอายุวโนสุขังภาลังโอเวลาไล่เข้ามาแล้วต้องรีบแล้วเตนี่ฮะโอต้องรี